ก็คือเราได้พบพระผู้เป็นเนื้อนาบุญใหญ่พระอริยสงฆ์แล้วนั่นก็คือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดท่านเป็นพระแท้ที่สุดแล้วท่านได้บอกไว้ว่าธนบัตรแท้จะอยู่ที่ใดก็เป็นธนบัตรแท้แม้จะมีใบเดียวอยู่ในกองธนบัตรปลอมก็รู้ได้ว่านี่คือธนบัตรแทมีราคามีมูลค่าในตัวเอง